น, ะ เ, หนเหมือนกันที่ว่าบางครั้งเราก็ตัไพ่ที่ไม่ดีไพ่ที่ไม่สวยเนะีแล้วก็บางคนเราเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องเจอกับได้งานที่ไม่ดีได้เพื่อรงงนรองนายที่ไม่น่ารักได้เจา้านายที่ไม่เป็นธรรมหรือบางทีก็เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเนะี่ยไอ้พวกนี้เสมอกับไพ่นะที่ เลือกไม่ได้นะรเราจั่วไพ่แล้วก็ไม่สามารถจะเลือกไพนะ่ได้ได้ไพ่ที่ดีก็มีได้ไพ่ที่ไม่ดีก็มี น, นี้เมื่อได้ไพ่ที่ไม่ดีมาแล้วเนี่ยวันป่วยการที่จะบ่นโวยวา่ายตีโพตีพายว่าฉันทํากรรมอะไรมาถึงได้ไพ่ไม่ดีแบบนี้หนะ้าที่ของเราหรือผู้ที่ปัญญาถือว่าเมื่อได้มาแล้วก็พยายามใช้ไพ่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ถึงน่าจะได้แพ้ไม่ดีแพ้สบายสบาแต่ว่าจาใช้สติปัญญาเนะี่ยมันก็สามารถชนะได้เหมือนกันมันอยู่ที่จะชนะหรือแพ้มันไม่ได้คิดว่าเราได้อะไรมานะแต่มีที่ว่าเราเสียเดี๋ยวมันไม่คิดว่าเราได้อะไรมามีที่ว่าเราใช้มันอย่างไรเราใช้ความเชี่ยงใช้สติปัญญาไหมอันนี้แหละคือหัวใจของ แปลมาว่าเราจะสุขหรืทุกข์จะเจริญหรือเสื่อมเนี่ยมันอยู่ที่าการกระทําของเราอยู่ที่ความเพีเยรพยายามของเราอยู่ที่การใช้สติสัญญาของเราไม่ได้ที่ว่าเราได้อะไรมานะบางคนเนี่ยนะพ อ, ะเอเจอเจ้านายที่ไม่มีเจอคนที่ไม่น่ารับหรือแม้กรทั้งเกิดมาในครอบครัวที่ ไม่สมบูรณ์ได้ร่างกายที่ไม่สมประกอบก็ไปบว่นว่าเอ้ย่ันทำอะไรมาชาติที่แล้วถึงกรรมถึงได้เป็นอย่างนี้นะคนจะเข้าใจนี่ว่าไอ้สิ่งที่เราได้มาเนี่ยนะถ้าได้ไม่ดีก็ไปโทษกรรมในชาติที่แล้วหรือกรรมสายชาติปังก่อนแล้วก็จะบนนงั้นแหละอันนี้ไม่ถึงุ่งหมายของการที่ผู้เจ้าเนี่ยสอ น, งนองกฎแห่งกรรมนะ สอนว่าที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะการรมในชาติที่แล้วจะสอนว่าการรมในปัจจุบันเนี่ยหรือการกระทําในปัจจุบันขณนะเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนยอยากได้ความสุขความเจริญก็ต้องทําความเพียรใช้สติปัญญาศึกษาหาลัทธความรูม้วิจารท์คุณธมถ้าออเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรมาก็แล้วแต่อาจะเป็นเพราะพฤติกรรมของเราในอดีตนะหรือว่า ธุรกิจแล้วมันเกิดได้สำเร็จขึ้นมาเรือเป็นเพราะว่าเศรษิจตกต่ำมันนี้ก็แลกแต่มันจะเกิดพรมันจะเกิดจากอะไรก็แล้วแต่ น, ะนกิดใจมัวแต่กลุ่ม อ, อกกลุ่มใจความเป็นเพราะเราทำกรรมอะไรมานะถึงเป็นอย่างนี้ทำกรรมอะไรมาถึงได้พ่อน้าที่ไม่ดีไม่อบอุ่นทำกรรมอะไรมาถึงได้มีร่างกายไม่สมประกอบทาไมถึงเกิดมาเป็นคนยากจน เจ้าสอนนะผู้เจ้าสอนมีกฎแห่งกรรมเพื่อว่าให้เราตั้งนรตาทางความเพียรใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด <c oughs> จะได้อะไรมาก็แล้วแต่นะแต่ถ้าเราเอาสิ่งที่เรามีถึ่งทม่เราได้มาเนี่ยเอาให้ ม, น ม, นมนันดีที่สุดนะเมืเ่อเกิดผลดีขึ้นมาได้ก็มันจะแม่ครัวนะหรือพ่ครัวเนี่ยถึงแม้ว่าได้มีเครื่องครัวไม่ครบ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 คนทีม่มีวัตถุดิบเยอะนะเครื่องครัวพร้อมแต่ปรุงอาหารแม่อร่อยก็เยอะนะเพราะว่าหลายเพราะว่าไม่ตันกายทาไม่มีความสามารถไม่ใช้สติ ป, ปัญญาหรือไม่ก็เอาแต่เอา ม, มาก็้วอฉันมีเครื่องครัวพร้อมปรุงอะไรก็อร่อยนะอันนี้เราต่อตา ม, มาแต่แรกป็ใจแค่ว่าที่เราบางทีมันก็แม่ครัวงานะที่จะให้อาหารมาไม่ครบได้มี ไม่มากพอแต่ว่าเรามนาะใช้ความเปลี่ยนใช้ความพยายามเราก็สามารถจะปรุงาหารอร่อยมาหาแห่งแบบนี้ก็หมายถึงว่าประสบความสำเร็จในชีวิตนะมีความเจริญก้าหน้าในการงานรวมทั้งมีความสุข ด, ด้วยอย่าไปมัวแต่บ่นว่าทำไมฉันได้อะไรมาก็ไม่รู้ไม่เห็นข้อท่าเลยเกิดมานี่ขานโน่นขานนี่นะ ยอะนคนที่เกิดมาติการคนที่เกิดมาอยากจนนะั้นแต่ว่าเขาไม่ยอมท้อนะเขาก็สามารถทําให้ชีวิตมีความสุขความเจริญได้นะมองคนประสบอุบัติเหตุนะแต่ว่าก็ไม่เมัวแต่บนไม่ตีอกชกหัวนะไม่ไปโทษวมชดตาไม่ไปโทษตาดีไม่ไปโทษคนแย่งแซมไม่ไปโทษทำในชาติตำก่อน จ ะ, ะไม่ยอดท้อแตอุปสรรคอย่างนี้แหละจึงจะเกิดความสุขความเจริญความสำเร็จได้ัวแทงกรรมคืนนี้นะัวแทงกรรมคลือนนี้นะนกรรค็คือนนนะว่าทุกอย่างมันจะดีหรือร้ายนะขึ้นหรือลงเนี่ยมันอยู่ที่การทําของเรา เ, เรื่องของโชคนะบางคนก็นบอกว่าโชคไม่ดีต้องเจอแบบเมื่อเจอแบบนี้นะไม่สําคัญนะแต่ถ้าแต่ว่าเราเอาสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราได้มาเนี่ยนเห็นคุณค่าของมันใช้ให้มันเกิดประโยชน์อยงต็มที่เนี่ยมันก็เกิดผลได้เหมือนกันคนที่ยากจนนะแต่ว่าประสบความสุขความเจริญในด้านรายก็เยอะนะคนที่ร่ํารวยเกิดมาคาบช่อนแป็นช้องทอง ก็ตกต่ำย่ำแย่ก็มีมากให้เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมให้ถูกนะกฎแห่งกรรมพระเจ้าสอนเนี่ยเลื่อกกระตุ้นให้เราทําความมีมีควา ม, มเขียนมันเทียนนะไม่มดไม่ท้อแท้ท้อใจกับสิ่งที่มีอยู่กับสิ่งที่เจอกับสิ่งที่ได้มาจะได้อะไรมกรักจะแต่รู้จักใช้ให้มันเป็นเนี่ยก็เกิดประโยชน์ได้นะนแล้วก็เกื้อรับพร